สวัสดีครับอย่างที่ผู้ น, นํานรสการบอกนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้เข้ามาในพระวิหารของพระเจ้านะเรารู้สึกถึงความเย็นนะครับเรารู้สึกเราเปรียบเทียบได้เลยคนระับว่าบรรยากาศข้างนอกนะครับเปรียบเหมือนอะไรแล้วพอเข้ามาในในเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้านะเปรียบเหมือนได้อะไรนะเหมือนแผ่นดินสวรรค์เลยใช่ไหมครับมีรู้สึกเข้ามาแล้วรู้สึกอ่านะนะีอีกหน่อยเราก็จะมีชีวิตแบบนี้ครับอีกหน่อยเมื่อเรามีโอกาสได้ไปอยู่กับพระเจ้านะครับเราจะมีชีวิตที่มีแต e ่มีแต e ่อะไรมีความ สุขสบายนะครับร้องเพลงนมัสการสารเสริญพระเจ้าอย่างเดียวนะครับไม่มีน้ําตาไม่มีความทุกโศกไม่มีความร้อนนะครับนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมจะมีการได้ทุกท่านมีการได้ดูคลิปนี้ด้วยกันสักหนึ่งนาทีจะได้พอทราบได้ว่าคําเทศนาวันนี้จะไปในแนวทางไหน นะครับแนวคิดของคนเรานะครับมีแนวคิดในเรื่องการเกิดและการตายแตกต่างกันบางคนก็จะมีความคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีการเวียนว่ายตายเกิดใช่ครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับบางคนก็จะมีความคิดว่าชีวิตของตัวเเนี่ยเกิดมานะครับเรียนทำงานกินดื่มโดยเฉพาะเรื่องกินดื่มนี้ขาดไม่ได้นะในพระวจนะของพระเจ้าในปัญญาจารย์ก็มีการได้พูดถึงนะ แล้วก็ในสุดแล้วก็จะพบกับความตายแต่จะไม่มีโอกาสได้กลับชาติมาเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของคนเราครับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยนะครับอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกกล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับซึ่งหมายความว่ามนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันเป็นที่มาของประโยคที่ว่าเมื่อมีมนุษย์มากกว่าหนึ่งคนอยู่ร่วมกันนะครับปัญหามันจะเกิด เพราะว่าความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากเขาเรียกว่ามาจากรากเง่าเดียวกันนะครับไม่ว่าความสัมพันธ์กับของคนนะครับกับสิ่งเหลาภายในกับสิ่งเหลาภายนอกความสัมพันธ์ของคนกับกฎเกณฑ์นะครับคนกับคนคนกับสัตว์นะครับแล้วยังเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงเห็นว่าพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยล้วนแล้วตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่บอก ที่มาจากเนี่ยมาจากสิ่งเราภายในนะครับเช่นความต้องการของตัวเองนะครับบางครั้งก็จะเป็นความกลัวหรือสัญชาตญาณที่ปกป้องตัวเองสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑ์บางอย่างนะที่มนุษย์เป็นคนตั้งขึ้นนะครับเนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งขึ้นเพราะว่ามนุษย์มาอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับเช่นบรรทัดฐานของสังคมกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยก็เพื่อที่จะจํากัดหรือควบคุมความรู้สึกของ คนนะครับทำให้คนไม่สามารถที่จะเปิดเผยความต้องการหรือความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้นะครับพฤติกรรมของคนจึงมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะครับเหมือนเหรียญสองด้านที่เราเรียนรู้เคยเรียนรู้แล้วนะครับว่าเหรียญมีสองด้านชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันครับจะมีด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างด้านดีนะครับแล้วก็ด้านที่ไม่ดีภายนอกของคนอาจจะ ดูเหมือนสุภาพเรียบร้อยครับแต่งตัวภูมิฐานการแต่งกายที่ดูดีแต่ใครจะรู้ว่ายามที่คนคนนี้อยู่ในที่ลับตาคนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นนะครับเขา อ, อาจจะทาในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดถึงได้โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกกฎเกณฑ์คอยควบคุมกํากับไว้นะครับและในสมัยปัจจุบันนี้ความการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์นะครับที่บอกว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และโละรคหล่พรมแดนเนี่ยนะครับยุคที่เต็มไปด้วยความแข่งการแข่งขันความเร่งรีบกา ร, รเผชิญกับสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับวิทยาการต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็มีผลเสียต่อสังคมเช่นเดียวกันสังคมปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าสังคมเนีเกิดปัญหาขึ้นหรือขาดความส ง, สงบสุขขาดสันที่สุขอะ่ะก็เพราะสิ่งต่างต่างเหล่านั้นผมอยากให้เราดูภาพภาพหนึ่งครับ เขาบอกว่าเป็นสัตว์15ชนิดนะครับที่สัตว์15ชนิดนะครับที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลกลองดูครับไล่เลียงดูนะครับมันอาจจะเล็กไปสัหน่อยนะครับอย่างแรกให้เห็นเลยนะครับว่าสัตว์ประเภทนั้นคือยุงนะครับแต่สิ่งที่สองเนี่ยนะฮน่าตกใจพอสมควรนะครับเป็นมนุษย์ด้วยกันเองครับนะครับมนุษย์ที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมนี่นะครับนะครับนะครับ เป็นลำดับที่สองนะครับน่ากลัวมากนะครับก็คือว่าปีนึงเนี่ยคนประมาณ4ี่แสน็ห้าันคนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าคนด้วยกันเองนะครับแล้วซึ่งสิ่งนี้ผมขอพูดแค่สองลำดับนะครับลำดับอื่นอาจจะดูเอาเองนะครับแต่ว่าที่บอกว่านําเรื่องมนุษย์ฆ่ามนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตวสังคมเนี่ยฆ่าเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าในชีวิตประจําวันของเราเราจะเห็นข่าวนะครับคงข่าวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับงคงคุ้นเคยดีกับคํา ชื่อน้องคนหนึง่งชื่อดูเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวชื่อหมูหมยองเครได้ยินไหมครับน้องหมูหยองเคยได้ยินไหมน้องหมูหยองนี่นะครับน้องหมูหยองเนี่ย ต, ตอนนี้อายุประมาณ18นะครับแต่ว่าเกิดเริ่มค ด, ดีค ด, ดีแรกเนี่ยอายุน14นะครับและสามคดีที่เกิดขึ้นนะครับรวมแล้วจะเป็นปล้นฆ่าชิงทรัพย์นะครับชิงทรัพย์แล้วฆ่าทั้งนั้นเลยนะครับจนในสุดแล้วเมื่อมาจับได้ตอนอายุ18นี่นะครับคือการที่เขาถูกหล่อหลอมมานะครับ คือใ น, ในวัยเด็กเนี่ยเขาบอกว่าถึ ง, ถงขนาดตบตีพ่อแม่นะครับตบตีพ่อแม่นะครับไรแบบไม่มีความสะทกทานนะครับนะครับแล้วในครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ถูกจับได้เนี่ยที่มีการค่าชิงรถเนี่ยเพื่อที่ต้องการไปซื้อบิ๊กไบท์เลยนะครับนะ ค, บคือเวลาที่ถูกจับเนี่ยครับถูกสอบถามเลยเนะี่ยคือเขาตอบอย่างไม่สะทกทานนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยถูกจับไปแต่ในในฐานะที่เขาอายุ18บแปด ยังไม่สามารถจะไปต้องอยู่ในศาลกักกันชายเนี่ยนะเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ครับเพราะเข้าไปแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเสียระบบไม่สามารถอยู่ได้ในสู่ก็ดก็ถูกกันออกมาและในสู่สก็มีการนําเสนอขั้นตอนเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือว่าขอให้ไปอยู่คุกผู้ใหญ่นะครับและเมื่อเข้าไปอยู่คุกผู้ใหญ่เนี่ยในที่สุดแล้วก็ตอนนี้ไม่ทราบเรื่องอะไรเป็นไงแต่อยากจะให้รู้ว่า สครั้งที่เกิดเหตุมาเนี่ยตั้งแต่อายุ14บสถึงสินะครับ <_ han> เขาถูกหล่อล อ, อม <_ han> ค่อยๆถูกหล่อหลอมมาทีละนิดทีละนิดนะครับจากการถูกจับครั้งแรกเนี่ยนะแล้วเขาก็เหมือนเข้าไปอยู่ในไปรู้จักอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก่อมาเกิดเหตุก็ออกคดีซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่นะครับจนหลายๆคนยังตั้งคําถามว่าทําไมระบบยุติธรรมหรือกฎหมายเราถึงไม่ลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับก็ติดอยู่แค่ตรงจุดเดียวว่าเขายังอายุยังน้อยอายุ18นะครับ หากเรามีเวลาสักช่วงหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้สำรวจตรวจสอบชีวิตของตัวเราเองหรือว่าชีวิตของคนรอบๆข้างนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลลูกหลานนะผู้ดูแลลูกหลานเนี่ยเราควรจะต้องรู้จุดจุดหนึ่งนะครับว่าคือคำตอบของเรื่องพฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกมาเนี่ยมัน มีองค์ประกอบหลายอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะพื้นฐานของสังคมพื้นฐานของครอบครัวนี่สําคัญที่สุดนะครับนะครับเด็กหลายๆคนนะครับที่มีนิสัยก้าวร้าวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาซึมซับกับสิ่งที่พ่อแม่ไม่ระวังนะครับกับคำพูดที่รุนแรงนะครับการทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันปลูกฝังไปในชีวิตของเด็กโดยที่เรียกได้ว่ามันอ่าในที่สุดแล้วนะครับมันจะอยู่วนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ย เบื้องหลังของพระมัมธิวตอนนี้นะครับผมอยากให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้พระเยซูเดี๋ยวเราจะมีโอกาสผมจะอาจ่านพระมัมธิวให้ฟังนะครับเบื้องหลังของพระมัทธิตอนนี้นะครับพระเยซูสั่งรรสอนเรื่องผลในชีวิตของคนนะครับพระองค์ต้อ ง, งการที่จะยกตัวอย่างของต้นไม้นะครับเพื่อที่จะสอนผลในชีวิตของคนเราที่จะสําเดงออกมานะครับว่าร้วล้วนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นการปลูกถูกปลูกถูกฝังถูกอบรมบ่มนิสัยมายังไงนะครับ ทรงตัดว่าต้นไม้ดีย่อมไม่ให้ผลเลวและต้นไม้เลวย่อมไม่ให้ผลดีเราจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ด้วยผลของมันพุ่มหนามย่อมไม่ออกผลเป็นมะเดือ่อหรือกอหนามย่อมไม่ออกผลเป็นอ่งุนคนดีย่อมนำสิ่งดีออกจากความดีที่สะสมไว้ในใจตนส่วนคนชั่วก็นำสิ่งชั่วที่สะสมไว้ในใจตนด้วยว่าปากย่อมเอย่ย สิ่งที่เอ่ยล้นออกมาจากใจนะครับแล้วผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพระมี์ตอนนี้จะเป็นบทเรียนให้เราทั้งหลายในบ่ายวันนี้ที่มีโอกาสได้มาตรวจสอบในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะสามารถนําสิ่งที่เป็นผลดีนะครับสามารถที่ไปแบ่งปันให้คนอื่นได้ในเดือนแห่งการแบ่งปันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งนึงครับพระเจ้าพระบิดา เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับอีกบ่ายวันหนึ่งที่เราทั้งหลายยังมีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระองค์มีโอกาสได้มาเรียนรู้ถึงน้ําพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของลูกๆของพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดสร้างเขาทั้งหลายขึ้นมาด้วยความรักสร้างเขาทั้งหลายขึ้นมาในขณะที่เขายังไม่รู้จักและรักกับพระองค์แต่ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงโปรดรัก Çünkü, เราทั้งหลายก่อนและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคน ใบบันนี้เช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราเป็นการส่วนตัวให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นจะไม่เป็นเพลงที่เรารู้เป็นความรู้ในสมองรู้เพื่อที่จะตอบคําถามรู้เพื่อที่จะตอบโต้คนอื่นแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถนํามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของเราด้วยการพึ่งพาพระองค์เราจึงขอน้อมรับการทรงนําด้วยใจที่ขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน เราจะมาเรียนรู้ถึงบทเรียนชีวิตที่เป็นพรนะครับชีวิตที่เป็นพรนะครับชีวิตที่เป็นพรได้จะต้องเริ่มจากประการแรกนะครับความคิดนะครับในข้อ45ตอนต้นเนี่ยบอกว่าอย่างชัดเจนว่า คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากรลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากกลังชั่วแห่งใจของตนนะครับเหตุที่บอกว่าเริ่มจากความคิดครับก็เพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะครับในสุภาษิตบทที่สข้อ2ี่บนะครับบอกไว้ว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะครับคำว่าใจในพระคัมภีร์ครับหมายถึงศูนย์กลางทางอารมณ์นะครับ ศูนย์กลางทางความคิดและความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเรียกง่ายๆว่าศูนย์ควบคุมชีวิตนะครับเขาเรียกว่าศูนย์ควบคุมชีวิตนะครับดังนั้นชีวิตที่เป็นพรได้เนี่ยจะต้องเริ่มจากความคิดและจิตใจที่ดีนะครับกษัตริย์โซโมรนครับสอนนี้เราเห็นนะครับในบทเรียนในสุภาษิตบทที่สี่นะครับเห็นชัดเจนว่าไม่เพียงแต่ข้อยี่สิาที่บอกว่าจงรักษาใจนะครับจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านนะครับนะครับ ฟังแล้วดูมีเป็นเหตุเป็นผลนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคำแนะนําที่ดีนะครับแต่ทําได้ยากนะครับเพราะว่าตามปกติมนุษย์ของเราเนี่ยเราเรียนรู้เรารู้เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะครับแต่เรื่องจะทําได้หรือไม่ได้นะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในปกตินะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยพระเจ้าจะเรียกเรามานะครับเข้าเข้าสู่ความสว่างครับ ให้หลุดพ้นออกมาจากความบาปความมืดนะครับแต่ในทสุดแล้วเราก็ต้องยังดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่เรียกได้ว่าสังคมแห่งความบาปแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ mm. เขาเรียกว่าสังคมแห่งความเสื่อมทามเสื่อมโทนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เราได้ยินในชีวิตประจําวันนะครับสิ่งต่างต่างนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในสุภาษิตบทที่สี่ครับกระตุ้นให้เรามีโอกาสได้เขาเรียกว่าพินิษพิจารณานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเดินในชีวิตของเราเนี่ยนะครับให้เห็นเลยว่า ในข้อ4ี่บอกว่าให้ใจของเจ้ายึดคําสอนของเราไว้ให้มัน่นนะครับจงรักษาบัญญัติของเราและมีชีวิตอยู่และในที่สุดข้อยี่ห บ, บอกว่าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอนแต่และข้อล้วนแล้วแต่หนุนใจเรานะครับให้ประเมินว่าชีวิตของเราเนี่ยควรจะดําเนินชีวิตยังไงควรจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับนะครับถ้าเรารู้เรียนรู้ว่าถ้าเราเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้านะครับแล้วเราดําเนินตามนั้นนะครับ รับรองครับยังไงก็ตามเนี่ยเป็นทางความปลอดภัยมากกว่าที่จะไปตกบ่วงแล้วของมาสเตาร์หรือว่าจะตกไปในการทดลองนะครับในช่วงเริ่มต้นของปีนี้ผมว่าหลายๆลายค น, นครับเราเคยคงมีการคุยกันแล้วในเดือนมกราคมคต้นเดือนเนี่ยเราเคยมีความตั้งใจครับเดืนอนแหการเริ่มต้นใหม่เรามีความตั้งใจว่าอยากจะทําสิ่งดี ๆ, ๆ drain, ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราที่จะติดสนิทพระเจ้าหรือว่าในหน้าที่การงานของเราที่ว่าเราตั้งใจว่าหน้าที่การงานเราจะเริ่ม จัดระบบระเบียบชีวิตนะครับมีความรับผิดชอบมีวินัยมากขึ้นนะครับแต่บางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ผ่านมาประมาณ3เดือนเกือบสีเดือนแล้วครับไตรมาสแรกผ่านไปแล้วนะเริ่มไตรมาสที่2แล้วครับเราลองคิดดูนะว่าเราสามารถรักษาตรงจุดที่เรามีจุดเริ่มเดือนมกราคมนะว่าจะเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมผ่านมาแล้วสเดือนเนี่ยผลประกอบการในชีวิตเราเป็นไงบ้าง บ, บางคนอาจจะทําได้ยังรักษายังยึดมั่นตรงนั้นอยู่แล้เราจึงสามารถบังคับตัวเราเองให้ดำเนินชีวิตตามหลักที่เราตั้งใจยังได้อยู่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่เพียงพลําอาจจะกลับไปแล้วรอเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมมาเริ่มต้นใหม่ครับนะอยพึ่งท้อถ อ, อ, อยครับผมกำลจะบอกไม่ได้บอกแนวทางของพระเจ้าของพระเจ้าที่เราจะสามารถปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราเน้นบอกว่า เหตุผลนะครับที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงภายนอกสู่ภายในแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงจากภายในของเราก่อนก็โดยเริ่มเริ่มจากจุดที่ว่าความคิดจิตใจของเราเราต้องรู้ว่าถ้าเรากลับมาหาหลักยึดนะครับเอาตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้านะครับแล้วเรายึดพระชนะของพระเจ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนกับจุดเริ่มในชีวิตประจําวันของเราครับพี่น้องลองเปรียบเทียบเอานะครับว่า วันที่เราตื่นมานะมีโอก า, าสได้อธิษฐานก่อนออกไปทํากิจวัตรประจําวันนะครับกับวันที่เราไม่ได้อธิษฐานมีความแตกต่างกันยังไงพี่น้องคงเปรียบเทียบได้นะครับวันที่เราอธิษฐานครับปัญหาอาจจะน้อยกว่านะครับขนทางอาจจะเราบเรียบกว่าลองเปรียบเทียบเองงาง่ายๆครับนะครับแล้ววันไหนที่ท่านรีบเร่งแล้วเราก็ลืมไม่ได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับเราก็สเปรยสปาคําทางไปแล้วก็ไปเจอปัญหาเราค่อยหันมานึกออกแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้า ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับลองคิดดูครับนะครับเราควรจะกลับมาเริ่มต้นจากจุดเริ่มแรกนะครับที่บอกว่าผลในชีวิตของคนเราอ่ะที่เราเห็นภายนอกอ่ะรวนแล้วแต่ต้องเปลี่ยนแปลงจากภายในก่อนนะครับต้องเริ่มจากภายในออกไปหาภายนอกไม่ใช่เจอภายนอกแล้วมาแก้ปัญหานะครับเราค่อยกลับมาเครียดเราค่อยกลับมาดูภายในไม่ใช่ครับนะครับไม่มีใครเดือนนี้นะครับเดือนแห่งการแบ่งปันนะครับคงไม่มีใครอยากจะดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่แบบว่าเหมือนกับเห็นกับตัวในจุดที่ว่า คนนี้งเขายิ้มให้เราเราไม่มีเวลาไปยิ้มให้เขาเราเครียดอยู่เรานะครับเรารู้สึกยังแก้ปัญหาไม่ตกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมรู้ครับทุกคนก็มีความตั้งใจดีนะครับแต่ครั้งนี้บ่ายนี้ก็เป็นอีกบ่ายวันหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ไข ค, ควนแล้วนาไปปรับใช้จริงๆนะครับนําไปปรับใช้จริงๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในจุดนี้นะครับพระเจนะของพระเจ้าในข้อเนี้ยในข้อสี่พระบอกว่าคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนนะครับ คนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วอย่างใจของตนมาดูเรื่องคลังดีครับคลังดีครับก็คือสิ่งที่สมมุติเรามาเรียนรู้เนี่ยในแต่ละวันเราเข้าหาพระเจ้าครับพระเจ้าก็จะสอนเราในแต่ละวันถ้าเราสะสมสิ่งที่เรียนรู้ตั้งใจนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้เนี่ยอันเนี้ยสะสมใว้แต่ละวันเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บไว้ในคลังนะครับถ้าถามพี่น้องตอนนี้นะครับว่าสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ในในตัวเรานะคเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแบ่งปันครับอย่างที่เมื่อกี้ผู้นำรัฐบารได้บอกแล้ว แบ่งปันภารกิจไคุณนะครับแบ่งกันแบ่งปันข่าวปรเสริฐแบ่งปันความรักแบ่งปันหลายๆอย่างเรามีอะไรที่ออกไปแบ่งปันคนอื่นครับนะจุดเริ่มแรกถ้าเราเริ like. ่มต้นดีนะครับเริ่มต้นที่ความคิดจิตใจดีว่าเราเข้าหาพระเจ้านะครับถ้าเราเ WOW. like ริ่มกับพระเจ้าก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่จะออกไปจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับชีวิตที่เป็นพรประการแรกครับต้องเริ่มจากความคิดคิดดีนะครับและประการที่สองครับคําพูด เพราะข้อ45ตอนปลายบอกไว้เรากวอย่างชัดเจนนะว่าด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นในเรื่องของความคิดเนี่ยผมยกตัวอย่างของกษัตริย์ซโลมอนในสุภาษิตบทที่สีครับแต่สำหรับคำพูดเนี่ยผมขอยกตัวอย่างาไม้เบเื่อไม้เมาของพระเยซูครับก็คือพวกฟาริสีครับก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงนะครับพระเยซูเนี่ยประท่าคาลมหรือว่ามีปัญหากับพวกฟาริสีมาครั้งแล้วครั้งเล่าครับ มัทธิวที่12ข้อาถึงนะครับพระพีตอนนี้ที่ผมจะยกมาเนี่ยเป็นตอนที่คล้ายกับในลูกาบทที่6ข้อี่นะเมื่อพูดถึงว่าด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นแต่ในมัทธิวที่12ข้อสาบอกว่าโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจ พระเยซูกําลังยกสิ่งที่พระองค์สอนพวกฟาริสีนะครับมาสอนเราได้เช่นเดียวกันในประการที่สองเรื่องคําพูดนะครับเพราะว่าพวกฟาริสีเนี่ยเขาชอบชอบใช้ชคําพูดนะครับเขาเรียกว่าชอบใช้คําพูดหยาบหยามการกระทําของพระเยซูพยายามจะแบบกันแนกันแหนพยายามจัดพระเยซูนะครับเพราะเขาเป็นคนที่แบบเป็นกลุ่มคนที่มีใจอิจฉาลิษยาใช่ไหมครับเ <ME> มื่อเขาทําไม่ได้อย่างพระเยซูเขามักจะคิดว่าพระเยซูพระเยซูมีคนนิยม ชมชอบมากขเขานะครับพระเยซูทําได้เขาทําไม่ได้นะครับเขาเลยคิดว่าไม่ได้แล้วเขาก็เลยคิดหารเนี่ยหนทางที่แบบจะให้ร้ายใส่หล า, ายป้ายสีนะครับชอบพูดจาจับจ้วงนะครับเมื่อพวกฟาสิสไม่ไม่ชอบไม่ชอบใครหรือไม่ชอบพระเยซูนะครับเขาก็พยายามจะใช้คําพูดเนี่ย น, น้มนาวใจคนอื่นนะครับทําให้เกิดความเข้าใจผิดและในที่สุดก็เกิดการตรึงบนไม้ขังเขน็นนะครับ เพราะว่าเขาโน้มน้าวคนอื่นให้มีคิดเหมือนกับตัวเองนะครับฟังดูแล้วเราคุ้นคุนไหครับมีใครอยู่ในท่ามกลางเราเป็นแบบนี้ไหมครับครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับว่าสิ่งที่พระเยซูสอนเรานะครับสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับเราสามารถปรับปรับในชีวิตของเรานะครับปรับเริ่มจากความคิดจิตใจนะครับหลังจากนั้นมาครับสิ่งดีๆมันจะออกมาครับมันจะออกมาทางคําพูดออกมาทางความประพฤติและการกระทําในที่สุดนะครับ เพราะว่าในจุดนี้นะครับพระเยซูสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทที่7ข้อ15เพราะว่าพระเยซูอ่ะรู้รู้ทันพวกฟาริสีนะครับพระเยซูรู้ถึงการที่มีพวกสอนเทมเท็จพวกสอนผิดเนี่ยเขามาลักษณะเหมือนในสมัยปัจจุบันเลยครับภายนอกนี่ดูเหมือนคนดีสุภาพนะครับเป็นมิตรแฝงมาด้วยเนี่ยแบบ เข้ามากลุ่มนี้กลุ่มนี้มีความชอบอะไร <S <S <an> <S เขาก็จะเข้ามาชอบแบบเดียวกันเรียนรู้รู้เรื่องแบบเดียวกันเพื่อจะพูดคุยภาษาเดียวกันเหมือกับที่เราเห็นในสมัยปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะสังคมไหนนะครับไม่ว่าจะเรื่องสะกอนนะครับเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องต่างๆครับทัวไปทั่วญี่ปุ่นสิ่ ง, ต, งต่างเลยนะครับคือเป็นสิ่งที่กลมคลืนเข้ามานะครับแล้วก็หวานล้อมและในสุดแล้วเนี้ยก็หาทางเอารัดเอาเปรียบนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่สมัยพระมภีงพแต่ในสมัยปัจจุบันก็ยังคงเกิดขึ้นนะคําพูดเป็นสิ่งที่สำแดงสิ่งที่อยู่ภายในใจออกมานะครับเพราะในลูกาบทที่หข้อสี่สิบห้าบอกอย่างชัดเจนว่าด้วยว่าปากของเขาพูดจากสิ่งที่มาจากใจนะแต่อย่างน้อยให้เรารู้นะครับว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดเองในที่สุดไม่ว่าวันใดวันหนึ่งครับนะครับไ ม, ไม่ต้องรอไม่ต้องรอขึ้นไปบอกว่าต้องไปพบกับพระเจ้า ไปเป็นพิพากษาไม่ต้องเลยครับเราแน่นอนในชีวิตนี้เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดนะครับแน่นอนนะครับผมอยากยกตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างเดิมนะครับของน้ําอัดลมกับน้ําผลไม้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระป๋องหรือขวดนะครับน้ําอัดลมนะครับชีวิตเราเหมือนแบบเดียวกันนะครับชีวิตเราก็เหมือนกับน้ําอัดลมกับน้ําผลไม้นี่ครับเมื่อเราขย่าครับนะครับ เมื่อเราจะเปิดรับประทานเนี่ยสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าเขย่าน้ําอารมณ์จะเป็นยังไงเขย่าน้ําผลไม้จะเป็นยังไงชีวิตเราเป็นแบบนั้นเลยครับถ้าเรามีข้างในดีมีความคิดดีนะครับมีจิตใจดีครับสิ่งที่อยู่ภายในเราเนี่ยเมื่อเปิดฝาออกมาก็จะเป็นแบบนั้ น, นครับถ้าเกิดเรามีความคิดไม่ดีจิตใจไม่ดีเมื่อเปิดมาก็เหมือนอน้าอารมณ์ครับว่ามันอาจจะทำมันอาจจะไม่ได้กินแหลในสุดก็ไปเลเอะเธอะคนข้างๆแหละครับ แตกต่างกับน้ผลไม้เมื่อขย่าแล้วเปิดทานครับเปิดดืม่มรสชาติกลมกลม่อมเพราะน้ําผลไม้ต้องขย่าเลยครับไม่งั้นเปิดมาแล้วไม่ขยเอเนี่ยมันบางครั้งเนื้อผลไม้ไม่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับนะครับสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของเราก็เช่นเดียวกันครับก็จะหกก็จะล้นออกมาเมื่อเราถูกการทดสการทดลองให้เราลองนึกดูครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรในชีวิตของเรา การตอบสนองต่อความกดดันนะครับจะเปิดเผยเห็นว่าเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างคนยังไงในปกติในการดำเนินชีวิตปกติอาจจะไม่มีอะไรครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีความกดดันเข้ามามีปัญหาเข้ามาสิ่งที่เราพูดหรือว่าพลงออกไปนะครับมันจะเป็นบ่งบอกให้เรารู้ว่าความคิดจิตใจเราเป็นยังไงนะครับขอพระเจ้าช่วยอะไรช่วยเรานะครับชีวิตที่เป็นพรต้องเริ่มจากหนึ่งความคิดคิดดี และสองคำพูดพูดดีนะครับและประการสุดท้ายครับความประพฤติหรือการกระทานะครับเพราะในข้อ43และข้อ44บอกเราว่าด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมันอยากจะยกตัวอย่างในหนังสือเฝ้าเดียววันหนึ่งนะครับที่ผ่านมานครับ เขาพูดถึงมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขา้เห็นภาพของเหยียกสองใบนะครับเหยียกสองใบเนี่ยเขาบอกว่ามีสิ่งที่บรรจุภายในเนี่ยแตกต่างกันเหยียกหนึ่งแต่บรรู้เมื่อตอนที่ทําเหยียกล้มนะครับเมื่อโต๊ะถูกเขยา่าและเหยียกทั้งสองล้มเนี่ยเขารู้เลยว่าอะไรบรรจุอยู่ในไหนเหยียกแรกเป็นน้ําส้มสายชูอีกเหยียกหนึ่งเป็นน้ําพึ่งนะครับแตกต่างกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าวิธีทดสอบนะครับ วิธีทดสอบการตอบสนองของบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับนะครับก็เช่นเดียวกันครับเป็นแบบเดียวกันครับว่าในชีวิตปกตินะครับชีวิตนิ่งๆเรายังดูไม่ออกครับว่าใครเป็นใครนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เหมือนกับคนที่เขาออกไปร่วมทีมพวกนัก ศ, ศึกษาค่ายไปออกค่ายอาสาด้วยกันครับไปทนทุกข์ด้วยกันนะครับไปสร้างบ้านไป ไปร่วมการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เหนื่อยยากที่ทนทุกข์นะครับเขาจะเห็นเลยว่านั้นคนแต่ละคนเนี่ยมีความสิ่งภายในที่อยู่ในแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงชีวิตของเขาเนี่ยถูกหลอหลอมาด้วยอะไรนะครับบางคนที่เขามีน้ําใจ้ก็จะมีน้ําใจบางคนที่เอาเปรียบเพื่อนเขาก็จะเอาเปรียบก็แสดงไม่ให้เห็นนะครับเวลาที่เราไปทนทุกข์มาด้วยกันนะครับเขาเรียกเนี่ยครับในหนังสือเฝ้าเดี่ยวเรื่มนี้ก็เลยบอกว่านะครับ คนเราเนี่ยหากอยู่ในสภาวะปกตินะครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติตัวแบบให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ก็อย่างนี้นะครับอยู่กับคนที่มีผลประโยชน์ก็ทําอย่างนี้นะทําให้รู้สึกว่าทุกทุกอย่างดําเนินไปได้ดีดีแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีคนเฝ้าดูนะครับหรือถูกกระทบกระทั่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับในที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเผยตัวจริงออกมานะครับ สิ่งที่อยู่ลึกในใจของเราก็จะหลุดออกมานะครับดังนั้นนะครับพระเยซูจึงตรัสว่าด้วยว่าปากของเราปากของเขาพูดจากสิ่งที่มาจากใจก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยต้นไม้ดีนะครับก็ย่อมไม่เกิดผลเลวต้นไม้เลวก็ต้องย่อมไม่เกิดผลดีอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นวัฏจกักรหรือเป็นสิ่งที่จริงนะครับแต่ถ้าไม่อะไก็ตามที่ต้นไม้ดีเนะี่ย เกิดผลเร็วเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกเราเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยคุณลักษณะแท้จริงของเราจะถูกเปิดเผยแน่นอนเมื่อไดก็ตามที่เราไม่ระวังตัวเมื่อไดก็ตามที่เราดำเนินชีวิตตามใจของเราเองนะครับเราอยากจะมีชีวิตอย่างนี้นะครับชีวิตเหมือนก็เพลง is my life ครับคงเคยฟังนะครับเพลงในยุคนั้ น, นครับ คนก็คงจะอายุ ป, ประมาณเท่าไรจำไม่ได้แต่ว่าคนที่ชอบฟังเพลงบองโจวีนะครับอิสไมลไรส์ลองไปฟังดูครับเนี่ย ก, ก็ประเภทเดียวกันครับคือคนที่เขาอยากจะดำเนินชีวิตคนที่ไม่มีพระเจ้าคนที่อยากจะดำเนินชีวิตตามความพอใจของตัวเองนะครับนะบเขาก็จะสามารถดำเนินได้แต่ในสุดแล้วเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจเลือกทางยังไงนะครับเลือกทางที่จะจบชีวิตตัวเองหรือว่าจะเลือกทางที่ ทำลายคนอื่นนะครับแต่เมื่อคนมีมีพระเจ้าเนี่ยเขาก็าจะเลือกทางที่รู้ว่าก็กลับมาหาพระเจ้าแล้วเริ่มต้นกับพระเจ้าแล้วดาเนินไปกับพระเจ้าใหม่นะครับเราจะรู้จักต้นไม้แต่และต้นได้ด้วยผลของมันนะครับในมัทธิวที่สิบสอข้อสามสิสามก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในสังคมในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน ในพมภีสองทิโมธีบทที่สข้อ1ถึงข้อห้าเนี่ยบอกเราไว้นะครับบอกว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอากตันยูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือาศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของาศาสนาเขาไม่ยอมรับนั่นคือลักษณะของจิตใจของมนุษย์ซึ่งมาเทียบเคียงในสมัยปัจจุบันแ ล, แล้วเราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าน่าจะใกล้ยุคสุดท้ายแล้วหรือเปยุคสุดท้ายแล้วตอนนั้นนะครับการที่เราเป็นพูดว่าเราเป็นคริสเตียน ไม่ได้ทำให้เราเป็นคริสเตียนจริงๆนะการเชื่อด้วยปากก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเพราะว่าการที่มีผลของการกระทำออกมาการที่พระเยซูบอกไว้เราไว้จุดหนึ่งนะครับที่บอกไว้บอกว่าสิ่งที่พระองค์สอนนะครับพระองค์ต้องการที่จะให้เขารู้เพราะว่าพระองค์เนี่ยเวลาดำเนินชีวิตกับสาวกเนี่ยพระเยซูเนี่ยดำเนินไปด้วยทาให้เห็นไปด้วย เพื่อที่จะเป็นโค้ดให้เขาทําทําตามเมื่อพระองค์ไม่อยู่พระองค์ทาให้เห็นไปแบบอย่างพระองค์ไม่ได้สอนอย่างเดียวแล้วเขาทะครับแต่พระเยซูทั้งสอนแล้วก็ทําไปในชีวิตนะครับสิ่งต่างๆ่างเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่ครับว่าถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยพระองค์จะไม่อยู่ให้เราเห็นแต่เรารู้ว่าพระองค์สถิตอยู่กับเรานะหลังที่พระเยซูไปแล้วเนี่ยพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราดังนั้นเราขอให้เราระมัดใจครับว่าสิ่งที่เราจะสามารถ ออกมาจากชีวิตเราเนี่ยเรามีพระวิญญาณที่อยู่ในเราเป็นผู้ช่วยเราในยามที่เรารู้สึกอธิษฐานไม่รู้เรื่องอธิษฐานไม่ได้ทูลขอครับนะครับมีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เป็นการส่วนตัวและคําพูดนะครับความประพฤติและการกระทำครับจะสามารถที่จะเป็นพรไปสู่ผู้อื่นได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านในบ่ายวันนี้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ผ่านทางชีวิตที่เป็นพรนะครับอย่างแรกก็คือความคิดคิดดี อย่างที่สองก็คือคำพูดพูดดีและสิ่งที่ตามมาก็คือความประพฤติและการกระทำที่ดีจะออกมาไปที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรครับ